่อพระป่าอสมชันเมื่อสองเดือนที่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งได้มากคณะด้วยเรียนชั้นปอ น, นึงด้วยกันเป็นแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันมาตลอดนะเกือบสิบปีพอขึ้นมัธยมมศ ส, สามก็มยแยกห้อง แล้วพอแยกย้ายเข้ามาวทยาลัยก็ไม่ได้เจอกันเลยจนกระทั่งผ่านไปสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีึงค่อยได้มาเจอกันเพื่อนคนนี้เรียกว่าสนิมสนมนมากตอนตอนที่อยู่ชั้นมัธยม มศสาม <foot ed> เป็นเพื่อนร่วมเรียกว่าเป็นเพื่อนทางความคิดนะซึ่งมีไม่ค่อยกี่คนที่โรงเรียน <foot ed> สมัยที่อยู่ชุมนุมอาสาอาสาพัฒนาก็ได้ถกเถียงพูดคุยกับเขาเป็นประ จ, จำ ก็เป็นคนที่เรียนก็ปานกลางแต่ว่ามีความฉลาดมากในเรื่องการการทอกเทียมแล้วก็เลยทำให้เกิดความตื่นตัวเวลาเถียงก็เถียงในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นสาระาย่เรื่องใหญ่เรื่องของบ้านเมือง สมัยนั้นนี่ก็ตัวเงก็ค่อยเริ่มตื่นตัวเรื่องเรื่องสังคมประเทศชาตินะช่วงนั้ก็มีการอิเทริยุทเขาเป็นเลขาสูสรนิสิตเขาก็ดังจากการที่ร่นรองต่อต้านสินค้ายี่ปุ่นนะประมาณปีหนึ่งห้านี่มันมีการร่นร้องให้ใช้ผ้าดิบนะตอนนั้นเขก็ ถือว่าผ้าดิบเป็นผ้าที่ทำจากเมืองไทยส่วนผ้าถ้าไม่ใช้ผ้าดิบก็เป็นของญี่ปุ่นทําโดยญี่ปุ่นหรือว่าบริษัทญี่ปุ่นมาผลิตในเมืองไทยสมัยนี้พอลองนึกไม่ออกแลนะผ้าดิบมันเป็นยังไงแต่สมัยก่อนนี่ก็นักศึกษ า, าก็ใส่ผ้าดิบกันมาก ก็คล้ายๆกับที่คานทีรณรงค์ต่อต้านสินค้าจากอังกฤษนะไม่ให้ใช้ผ้าทอจากอังกฤษนะใช้ผ้าคาร์ดีแต่ว่าคานทีก็ทำได้ดีกว่าคนใส่ผ้าคาร์ดีกันทั่วประเทศแต่ว่าถึ ส, สิก็เล่งให้รณลงลงได้ แต่ผลระดับหนึ่งเราก็คุยกันกับเพื่อนก็ถกเถียงเรื่องนี้แหละคุยเรื่องการครอบงําของญี่ปุ่นเขียนสารพัดเรื่องเรื่องประเด็ดกาเรื่องอต่างๆสมยัยเรา25นั่นเองนตว่าเราก็สนใจในหลายๆเรื่องก็มีเพื่อนคนนี้แหละนะชื่อพี่ชายโต๊ด เราก็ถกเถียงกันมามันก็ตุ้นให้ไปอ่านหนังสือทั้งหามาจากห้องสูตรมาค้นมาโต้เถียงกันถึงกับขั้นไปอ่านหนังสือของโสกราตีสนะโสกราตีสนี่เป็ น, เ ป, นเป็นปราชาวกรีกได้ช่วยเป็นบิดาของปรัชญาก็มีความฉลาดในเรื่องการโต้เถียง ต้แยงที่ทาให้คนเนี่ยที่คิดว่าตัวเองรู้คําตอบแล้วนี่ทุดท้ายก็ยอมเราตัวเองไม่รู้อะไรเลยศัพท์นี้ก็เป็นงานที่อ่านยากแต่ ว, ว่าตอนยีย่สิบห้านี่กัก บ, ก, บก็ไปอ่านแล้วศกติ์ทั่วนี้ในหมาวิทยรลัยมายาลัยของเมืองนอกนี่ถ้าเป็นชั้น ปรญญาตรนี่ก็ต้องถ้าเป็นคณะศิลปศาสตร์ตนก็ต้องอ่านงานของโซกัตติสซึ่งเปเตอโตเขียนเดียกยสิีห้าก็ไปหาอ่านโซกัตติสมาโต้เถียงกันแต่ก่อเป็นคนที่ตอนเป็นเด็นักเรียนก็กลับบ้านเร็วเลิกเรียนก็กลับเลยไม่มีเล่นไม่มีตตเตดเตยไม่มีทะเลทลายอสําชัญเลิกสามโมงี่ิบ สี่โมงคึ่งก็ถึงบ้านแล้วสมัยก่อนรถไม่เคยติดเท่าไหร่แต่พอเริ่มมาทํากิจกรรมอาสาพัฒนาก็เริ่มมาถกเถียงกับเพื่อนคนนี้แหละใช่ไปทุกเย็นเลยก็ทําให้กลับบ้านดึกให้กลับบ้านค่ำก่อนไมได้กลับบ้านค่าไม่เคยกลับบ้านหลังพระอาทิตย์ตกนะเรากลับบ้านหลังพระอาทิตย์ตกนี่พ่อแม่ก็งงเลยเราทำไม กลับบ้านค่ำตำลังกลับดึกนะสามทุ่มถึงบ้านแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะรู้ว่าไม่เก็งเมล็ดเ ก, กเยอันนี้ก็เริ่มเป็นเริ่มจากเปลี่ยนจากเด็กเรียนมาเป็นเด็กกิจกรรมเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่ส่วนหนึงก็สัมพันธ์กับเพื่อนคนนี้นะ แต่ว่าพอขึ้นมศส .4 เขาก็เริ่มจะเบี่ยงตั้งใจไปเรียนหมอการเรียนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยก็ยยเลย ป, นปานกลางดีกว่านะก็เลยหันมาสนใจการเรียนมากขึ้นก็เลยไม่ค่อยได้สนิทสนมกันทกเถียงกันอย่างหน้าดำคำเคร่งเหมือนเมื่อก่อนพอเข้ามหาลายเขาสอบเข้าแพทย์ได้ เราก็สอบเข้าธรรมศาสตร์คนละสายกันเลยแล้วก็ไม่ได้เจอยิ่งบวชแล้วนี่ก็ไม่ได้เจอกันเลยเพื่อนนนี้เขาก็พอเรียนแพทย์ก็จบแพทย์มาก็จบแพทย์ของกรงเทพมงกุรนะก็ไปเป็นทหารไปเป็นหมอก็เป็นหมอสันหรือหมอ มศรือมก็ดูเนี่ยที่รุ่งพลาพระมงกุฎก็ไม่ได้ ข, า ข, าข่าวคราวก็เลยจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนี่เพื่อนทํากลุ่มไลน์ทํากลุ่มไลน์เขาก็ก็คงไม่รู้มีใครมาชวนเขาให้เข้ามามาเข้าร่วมกลุ่มก็เลยได้รู้ข่าวครา ว, า ว, า ว, าวจากปากเขาโดยตรงแล้วเพื่อนก็มาบอกว่าเนี่ย ไม่ใช่ตัวเขา่แต่คนอื่เขาบอกวนะ่าเขาเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งตับตัวเองเป็นหมอเองนะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลเอ ก, กชนแต่ว่าเพราะตัว เ, เป็นมะเร็งตับอยู่ได้ไม่นานนะมะเร็งตับมันเร็วอยู่แล้วนี่ขนาวเขาคลาเจอนะคลาเจอเองไม่ใช่ว่าเกิดป่วยแล้วถึงค่อยไปหาหมอ ําเจอตั้งนี้ไม่มีอาการอะไรแต่ก็พบว่าก้อนมะเร็งมันมันโตไปเยอะแล้วแล้วก็ <c oughs> ก็เชื่ อ, อยัในจะ ไ, ไปเจอเขาแต่ก็ดีใจที่ว่าเขามาหาเองช่วงผ่าป่ายเขาก็มา <c oughs> นึกว่าเขาจะ จะเศร้าซึมอะไรก็เปล่านะหน้าตาก็ยิ้มแย้มตอนเด็กๆนี่ยิ้มแย้มยังไงตอนโตตอนแก่ก็ออยังยิ้มแย้มอยู่ไม่มีเขาของความเป็นคนป่วยถ้าพระป่าวันนั้นเนี่ยก็หนาวมากผงจำได้หนาวหนาวจริงๆแปดองศาไม่มีแดด พอพราเสร็จบ่ายโมงส่วนใหญ่ก็กลับนะแต่ว่าเพื่อนงนี้ก็อยู่มานั่งคุยกันกนะับบ่ายโม ง, งบ่ายสี่อากาศก็หนาวมากต้องย้ายจากศาลาที่ไปนั่งที่สารดินนะเพราะว่าลมมันตีก็คุยกันนานก็แปลกใจที่เขาไม่มีความวิตกกังวลกับถึงเรื่องความตายที่จะมาถึง งทีเขาไม่สนใจธรรมะอะไรอาจเป็นเพราะว่าเป็นหมอมานานนะแล้วก็ได้เห็นคนป่วยมะเร็งแล้วก็เห็นความตายผู้คนมาเยอะก็าอาจจะทำใจได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเขาวันใดวันหนึ่งก็ได้ก็ถามเขามีความกังวลอะไรไหมก็ไม่ค่อยมีอะไร นะมีแต่ความกงังมีแต่ความห่วงเรื่องงานกําลังก่อสร้างโรงพยาบาลอยู่ไปทํางานทุกวันเลยไม่เป็นเสาวทิตย์จนระทั่งป่วยพอเริ่มอาการมีอาการแล้วก็เจ้าของก็ให้ให้หยุดเสาวทิตย์นะไม่ต้องมาก็ดูเขาเป็นคนเตรียมพร้อมทุกอย่างนะไอ้ความที่เขาไม่เคยวิตกกังวลอะไรกับความตายคงเพราะว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วเตรียมตัวไว้แล้ว อาจจะลงในเรื่องพินในกรรมเรื่องงานการต่างๆเตรียมไม้หมดตอนเด็กๆก็เป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนที่ชอบเวลามีจุดมุ่งจุดมุ่งหมายแล้วก็จะมุ่งหน้าเป็นคนมีจุดหมายชัดเจนแล้วก็วางแผนตอนเป็นหมอก็ พอรู้ว่ามันมีเรื่องฟ้องร้องมากก็คงจะวางแผนมองไปข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งก็คงจะโดนฟ้องร้องแหะก็เลยลาออกลาจากราชการเพื่อจะได้ไม่ต้องไปมีคดีความกับใครไม่ดีนี้หมอนี่เจะมีความวิตกกังวลคือกลัวถูกฟ้องแล้วเพื่อนนี่ก็คง ค, คิดสะะารตัแล้วว่าเนี่ย อาชีพของเราคงจะสักวันนึงคงจะไม่ไวาถูกฟ้องก็เลยออกออกมาก็ไปเป็นหมอหมออิสระนะฟรีแลนซ์หมอเป็นหมอแบบเป็นพาร์ทไทม์แล้ต่ลงตั้งเป้าเราอย่าเรียนหมอเลยไอเราอย่ารักษาพยาบาลรักษาพยาบาลที่เสี่ยง ฟ้องบริหารดีกว่าพอตั้งป้าแบบนี้ว่าจะไปทำงานบริหารไทยก็ก็ไปเรียนไปเรียนบริหารธุรกิจคือเป็นคนวางแผนตลอดทุกอย่างทำอะไรนี่ต้องวางแผนรอบคอบเิ่พอ อัเพราะวางแผนไว้มามาตลอดพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ก็ไม่ค่อยหวั่นไหวหรืออาจจะถึงแม้ว่าบางอย่างจะไม่ได้วางแผนพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็าวางแผนวางแผนหรือประกันอะไรต่างการวางแผนก็มีเป็นเหตุผลที่เขาสามารถที่จะนิ่งไดนะ้นิ่งได้เมื่อรู้ว่าความตายจะมา เขาแนะนำเขาถ้าว่านนนนจะตายแลยนะ้วเนี่ยน่าจะวางงานวางการได้แล้วเอาเวลาไปทําสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่ที่อยากจะทําอยู่บ้านนะทาสิ่งที่ชอบดีกว่าแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยมันก็ยิ่งเครียดนะคนเราบางคนก็ชีวินก็อยู่กับงาน หรือว่าผูกพันกับงานแต่ถ้าไม่ทําถ้าทิ้งงานไปเลยนะลาออกมาอยู่บ้านก็คงจะเครียดนะเครียดหนักกว่าการทํางานหลายคน ท, ทั้งทรู้ว่าเครียดนะกับงานแต่ก็คงรู้ว่าเครียดน้อยกว่าเวลาอยู่บ้านโดยที่ไม่ทําอะไร อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากถ้าไม่มีอะไรทําเลยเนี่ยมันจะเคว้งมากมืองกับหลายคนถ้าไม่ได้อยู่กับใครเลยเนี่ยมันก็จะเคว้งถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการถูกลงโทษมันนะสมัยนี้รู้สึกแบบนั้นถ้าอยู่คนเดียวนะไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศรัพทนะ์มันเหมือนกับว่า ถูกลงโทษอยู่โดยไม่มีโทรศัพท์มือถือนี่ตายดีกว่าวัยรุ่นหลายคนคิดแบบนี้แต่ว่าเพื่อนนี่เขาไม่มขนาดนั้นหรอกแต่เขาสึกว่าทำงานมากจนกระทั่งถ้าไม่ได้ทำงานมันก็ไม่รู้ว่าก็จะหุด อ, อ่านก็เมื่อต้นเดือนนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาลมป่วยเขา้าโรงพยาบาล คงเป็นวันที่เขาคอยมานานแล้วพอสักวันหนึ่งก็ต้องร่างกายไม่ไหวต้องเข้าโรงพยาบาลปกติคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราคิดว่าก็จะอยู่ได้นอยู่ได้สักพักหนึ่งเพราะโรงพยาบาลสมัยนี้เขาก็มีมีวิธีการยื้ อ, อไว้วคิดว่าจะไปเยี่ยมเขาเนี่ยเข้ากรุงเทพเนี่ยเที่ยวนี้ก็จะไปเยี่ยม บอกว่าเข้าโรงแรมได้แค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็ตายตายเมื่อวันที่สิบสองก็เรียกว่าเร็วเร็วกว่าที่คิดนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเขาได้มีเวลาเตรียมตัวมีเวลาเตรียมตัวได้ใช้เวลานั้นเนี่ยนะให้มีประโยชน์แทนที่จะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยอยู่ความกลุ้มอะกุ้มใจ ได้เตรียมคนบางคนนี่แม้ว่าไม่ได้สนใจธรรมะนะแต่ว่าก็มีวิธีการเขาในการที่จะรักษาใจให้มั่นคงไ ม, ไม่ไม่หวันไหวหรือถึงจะวันไหวข้างใน ก, ก็เก็บอาการไม่ได้อย่างยิ้มได้ ก็มันนึกนะไอการที่เพื่อนมาหาเราเนี่ยคุยหลายชั่วโมงเนี่ยทั้งที่ไม่ได้เจอกันมาสี่สิบปีเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ร่วมกันติดต่อกันทางจดหมายก็ไม่มีไลน์ก็ก็ไม่เคยคุยกันตรงๆอันนี้เป็นส่วนของแผนการเขาก็ได้เป็นส่วนการวางแผนเขาคือพอรู้ว่าจะตายแล้วก็ ก็อยากจะกลับมาหาเพื่อนอันที่เขาเข้ากลุ่มไลน์นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนี่เข้ากลุ่มไลน์แล้วก็เพราะว่าพอเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็มันก็มีการนัดเลี้ยงแต่ในตะไลามาเขาก็ไม่เคยไปร่วมงานเลี้ยงของเพื่อนงานเลี้ยงประจําปีของห้อง น, นะห้องของประจําห้องห้องนึงมีห้าสิบคนก็เดี๋ยวนี้ก็เหลือกัน สามสิบคนได้มั้งเขาก็มามามาร่วมสังสรรค์กับเพื่อนหลังจากที่ไม่เคยมาพบปะเพื่อนเลยก็ดาว่านี่คงเป็นส่วนหนึ่งของการของแผนของเขาเตรียมตัวแผนการเตรียมตัวก่อนตายก็คือการได้กลับมาพบเพืพ <stage. S 1> พ่อนเพื่อนนักเรียนที่รู้จักกันตั้งแต่อายุห้าขัขวบ แล้วก็ที่มามาที่วัดเนี่ยเพื่อก็มาเจาะจงมาคุยพูดคุยก็เรียกว่าเป็นการก็ไม่คิดว่าการพูดคุยกับเขาวันนั้นมันจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้ายเหมือนกับว่าจะไม่ได้เจอกันละก็มาพบปะพูดคุย คือคนอจะเป็นไปได้ว่าคนเราพอก็จะตายเนี่ยนะหรือว่าแก่ตัวลงเนี่ยก็เริ่มหันมาให้ความสัมพันธ์กับมิตรภาพอันนี้เป็นเป็นเป็นปกติเลยนะพอยังหนุ่มตอนที่ยังหนุ่มยังสาวนี่ก็ไปหาความสุขแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มันไกลตัวข้าวของรถยนตบ้านสถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่ส่วนใหญ่ความฝันของคนเนี่ยตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยหรือแม้กระทั่งวัยกลางคนก็ยังหวังมุ่งที่สิ่งเหล่านี้รวมทั้งการไปเที่ยวต่างประเทศแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นบอกว่าไอ้สิ่งที่จะให้ความสุขหรือว่าสิ่งที่ใส่ใจเนี่ยก็เป็นสิ่งรอบตัวใกล้ๆเช่นครอบครัวเพื่อนฝูง ที่เพื่อนเนี่ยเพื่อนสัมพันธ์เนี่ยนยก็แต่ก่อนที่คนเคยแตกฉานสร้างเซนไปไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปคว้าฝันไปหาฝันตามวิถีทางตัวนี้ก็มาเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยแล้วก็นัดพบปะกันสม่ําเสมออันนี้เป็นเป็นธรรมดางคนวัยวัย ไวกระเสียนหรือว่าไวชราเนะี่ซึ่งมันกลายเป็นแบบแผนไปเลยคือว่าพอแก่ตัวลงแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ความสุขที่เคยแสวงหาดิ้นรนมาก็มีแล้วนะแล้วก็ จ, จะพบว่ามันยังไม่พอหรืออาจจะพบว่ามันยังไม่ใช่เพื่อหลายคนก็รวยมากรวยมากก็เที่ยวเตแรงต่างต่สุดท้ายก็ชวนมันยังขาดอะไรไปบางอย่างก็คือการ กลับมาหามิตรภาพที่เพื่อนสำชันมาจัดทอพระปาทุกปีทุกปีเนี่ยส่วนหนึ่งของพ่อเนี่ยคือคงไม่ใช่มาอยากเจอเราอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสที่จะได้รวมหัวรวมกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมาทำอะไรมาเจอกันมาเที่ยวด้วยกันหรือรวมทั้งมาทำประโยชน์ด้วยกันด้วยเพราะว่าถ้าไม่มี ท่าพับป่าก็คงจะไม่ค่อยมีเหตุที่ให้ต้องเดินทางกันสองสมวันแล้วก็ไปพบปะเพื่อนตามจังหวัดใกล้เคียงเช่นขอนแก่นอะไรเงี้ยก็เลยจัดทุกปีทั้งที่มันก็ใช้เวลานานวกว่าจะมาถึงเพราะพวกนี้เขารักสบายอยู่แล้วแต่ก็อยากา ม, มาเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ได้กระชับ มิตรภาพวิชาเนี่ยคเหมือนกันนะถึงแม่พอก็รู้ เ, เขาจะตายก็สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทําหรือว่ายัางทําน้อยคือการได้กลับมาหาเพื่อ น, อนก็มาพบปะ ก, กันแต่เขาไม่เคยบอกนะว่าไอ้ที่เขาทำเที่ยวกับมหาเพื่อนเนี่ยเป็นพ่ออะไรแต่ก็เดาเอาเนะจากการที่เขาเป็นคนที่จะทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยทําด้วยความ ไม่จะไม่ทำอะไรเพราะไปตามกระแสแต่จะทำเพราะว่ามีการตัดสินมีการคิดรอบคอบแล้วก็ตัดสินใจแทนว่าใครชวนนหก็ไปตามตามกระแสนี่ไม่เคยมีต้องคิดแล้วคิดแล้วว่าเห็ว่าเออมันดีอันนี้เขามาที่เขามานี่คงจะคิดแล้วนะว่าออกาลังจะตายแล้วก็ถืออกามาพบเพื่อนเก่า ไม่ได้เจอกันมาสี่สุกปีเราก็ไม่รู้นะก็ยังคิดว่าก็ไม่ก็ยังคิดว่าเดี๋ยวเขาคงอยากจะอันนี้คงไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมตัวตายเขาคงเพียงแค่ว่าไม่ได้เจอเพื่อนมานานก็ อ, อยากได้เจอสักครั้งหนึง่งก็เป็นคนที่เวลามีคิดอะไรก็ไม่ค่อยบอกนะแต่เขาวางแผนอยู่ในใจแล้วก็ทาสิ่งที่เขา เดินไปเดินไปข้างหน้าตามแผนก็เลยเชื่อว่าคงคงเตรียมตัวที่จะตายตายดีอยู่แล้วก็ยังดีนะคนบางคนก่อนตายก็ได้มีการเตรียมตัวมีการวางแผนแต่หลายคนตายโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวใกล้ ก, กับวันที่เขาตายเนี่ยสิบสองสิบสามก็มีข่าวนะ นี่ข่าวใหญ่มากข่าวอุบัติเหตุนะรถเบนซ์ไปชนรถฟอร์ดรถเบนซ์ น, นี่วิ่งด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมวิ่งเลนซ้ายไปชนรถฟอร์ดนะรถก็ลุกไหม้ท่วมนิสิตปริญญาโทสองคนตาย แล้วก็มีคนที่เล่าว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะก็ตัวนี้ก็มันก็ตะเกียกตะกายกมาจากมาทางหน้าต่างหรือทางประตูขณะที่ไฟนี้ก็ลุกไหม้ท่วมขาเนี่ยแต่กคงใจะตอนนั้นคงจะหมดสภาพไปเต็มทีแลตอนนั้นก็มารู้ภายหลังว่าอ๋อในสิทธิสองคนนี้มีคนรู้จักเยอะมากเลยนะแล้วก็เพื่อนเพื่อน เพื่อนสองสามคนนี่ก็รู้จักเขาเนยเพื่อนก็ตกใจกันมากนะเพราะว่าอย่างเพื่อนคนนึงเราเล่าวนเนี่ยตอนเช้ายัางเจออยู่เลยเช้าวันนั้นเช้าที่สิบสามเขามาทำบุญนะทำบุญแถวแถวลังสิตเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญมากเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็ชอบทำบุญขยันเรียนมีความเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บางคนก็เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียกเป็นนางฟ้านะก็มาทําบุญแล้วก็ตอนเช้ายจดต่อไปมอจลอวังน้อยหรือว่าไปเสร็จแล้วก็ราคาที่กาลังกลับบ้านเพราะก็เตรียมจะไปอินเดียนะวันนั้นก็เตรียมไปอินเดียไปกราบสังเวชีสถานก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของบืงอทีได้ไปนั่งรถสอดไปกับเพื่อนปริญยาโท ก็ไปไม่ถึงบ้านนะอินเดียก็ไม่ได้ไปก็ตายซะ ก, ก่อนตายคาถนนเลยแม้แต่จะออกจากออกจากรถก็ยังออกมาไม่ทันเพื่อนเก็เสียใจมากนะหลายคนค็ยงสงสัยทําไมคนดีแบบนี้ถึงตายเร็วอายุแค่สามสิบสี่ผู้หญิงนี่ก็มีคนมีคนมีคนเรียกว่าอะไรนับถือมากในเรื่องความเป็นคนเรียบร้อยมีน้ําใจ ใยธรรมะบอกพ่อนี่ตอนที่ไปรับศพลูกบอกว่าเสียพระไปหนึ่งศูนย์เสียพระไปคือพ่อนี่มองลูกเนี่ยมันก็เป็นพวกที่ไยธรรมะเพราะ่อเจ้าตัวเองเาบอกว่าอยากจะเกิดไปเป็นพระชาติหน้าเําทความดีสร้างบุญสร้างกุศนครอบครัวเรียกว่าอะไร คู่ครองก็ไม่สนใจนะอยากจะใช้ชีวิตแบบโสดเพื่อว่าทำบุญมากๆชาติหน้าได้เป็นได้เป็นพระลูกพ่ อ, พอตอนไปรับศพก็เลยบอกว่าเนี่ยเสียพระไปอันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่ไม่ทันตั้งตัวนะบางจีินง่ยางก็น่าเสียใจนะตายเพราะความโ ง, ามาง่หรือความเข้าของหรือความคนนองคนคนหนึ่ง อันนี้ก็เหมือนกรณีซีวิกกนนะ Honda า i ีวิที่ไปชนคนรถตู้ตกลงมาจากทางด่วนตายหลายคนความคนองความชราดใจหรือความประมาทอย่างนี้แบบนี้มีเยอะเลยแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยบางทีคน้ราก็ตายยังไม่ทันตั้งตัวกำลังนั่งอยู่ในรถเย็นสบายจุดหมายแต่ จ, จะไปหยุดจุดหมายข้างหน้าแล้ว แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุไม่คาดฝันไอ้กรณีแบบนี้นี่มันเอามาเป็นข้อเตือนใจให้กับเราก็ดีนะว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นก็ได้ไม่ไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวมาตลอดอยู่แล้วนะถึงแม้เช่นถึงแม้ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะแต่ก็เตรียมตัวมาว่า จะตายเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะตายวันนี้วันพรุ่งก็ได้เราลึกนึกถึงอยู่เสมอแล้วก็เตรียมตัวทําความดีตลอดเวลานะเตรียมตัวสร้างบุญสร้างกุศลเตรียมฝึกใจไว้ตลอดเวลานะนะการเตรียมตัวแบบ น, นี้ น, ม, นมันยากกว่า น, นะเพราะว่า ม, ม, ม, มันไม่มีสัญญาณบอกว่าจะตายเมื่อไหร่อย่างเพื่อนที่ชื่อพิชัยนี่เขายังพอจะรู้นะว่าจะมีเวลาอยู่ได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่วัน แต่วคนส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยรู้หรอกไ ม, ไม่รู้แต่ว่าสามารถจะอยู่ไปได้เรื่อยๆจนแก่ตายอันนี้ก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่รู้แล้วปรือว่าตายวันนี้วันพรุ่งนี้อันนี้ก็ถ้าไม่เตรียมตัวเลยก็ถือว่ามันไม่ใช่เป็นความซวยนะมันเป็นความประมาทเพราะว่าควรจะรู้ควรจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า อาจจะตายเมื่อแล้วก็ได้แล้วก็ต้องแล้วควรจะเตรียมตัวไว้อยู่แล้วมันไม่ใช่ความมันไม่ใช่ความซวยนะมันเป็นความประมานะะทแต่ถ้าตายโดยตายแบบปรบปรับเนี่ยแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเป็นความประมาทเพราะว่าก็ดูข่าวดูหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ก็เห็นคนหนุ่มคนสาวหรือว่าใครต่อใครตายโดยแบบปรบปรับ อันนี้ก็เห็นอยู่ประจนํนะถ้าไม่เอามาน้องเอามาใส่ตัวแสดงว่าประมาทมาเผลอเลย อ, อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะคนหนึ่งตายอายุหกสิแต่อีกค น, นตายอายุแค่สามสกว่าไอ้สิ่งที่เหมือนกันคือว่ามันเป็นธรรมดางชีวิตนะเพียงแต่ ว, ว่า เหตุผลหรือสาเหตุอาจจต่างกันแต่ว่าก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือธรรมดางชีวิตที่สรกวัหนก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเหมือนกันเราต้องสังวรระวังเอาไว้ช่อนี้พกกนนูกระท้งนี้กับนะ